วันนี้เนี่ยคือนวัตกรรมชุมชนวิถีพุทธคาว่านวัตกรรมนี่เดี๋ยวนี้ก็เป็นเป็นคำที่คนใช้กันเยอะแล้วก็เป็นแนวคิดที่ผู้ค น, นต่อสแสวงหาตอนนี้เราก็ใครๆหรือทุกวงการก็พูดถึงนวัตกรรมที่เดึงคำว่านวัตกรรมนี่มันก็เป็นนวัตกรรมชิ้นหนึ่งนะคำว่านวัตกรรมเนี่ยเพราะเมื่อ20ปีที่แล้วเนี่ย ก็ได้จำได้แต่ไม่เคยได้ยินนะครัว่านวัตกรรมมีคําที่ใกล้เคียงนั่นคือคําว่าสร้างสรรค์หรือไม่เชนั้นก็นวโกว่าไปเลยตอนหลังเนี่ยก็เริ่มมีคนพูดถึงนวัตกรรมมากขึ้นซึ่งก็แปลมาจากภาษาฝรั่งนะ innovation คําว่านวัตกรรมนี้โดยตัวมันเองมันก็เป็นนวัตกรรมอย่างหนึ่งนะเพราะว่ามันเป็นคําที่มีคนเป็นคําที่เพิ่งคิดคนกันขึ้นมาแล้วก็มีสเนสน่ห์ซะด้วยเพราะว่า อย่างที่ว่านทุกวงการเนี่ยก็พูดถึงนวัตกรรมจะอยู่รอดได้นี่ต้องมีนวัตกรรมในนวัตกรรมเนี่ยมันหมายความว่าอย่างไรนะแล้วก็ถ้าพูดง่ายคือมายถึงการสร้างสรรสร้างสรรสินใหม่เดิมไม่มีนะแล้วก็สร้างขึ้นมาให้มันมีซึ่งบางครั้งก็เรียกว่านอกกรอบหรือว่านอกกระแสคราวนี้นวัตกรรมนี่มาสาคัญอย่างไรนะมาสาคัญก็ตรงที่ว่า สิ่งต่างๆเนี่ยมันไม่มีความหยุดมันไม่มีความนิ่งนะทุกอย่างเนี่ยมันมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลาอะไรที่นิ่งนานๆเนี่ยมันก็คงเหมือนน้ำะนะน้ำที่นิ่งนานๆมันก็เป็นน้าเน่าน้าที่มันไม่ไม่เน่าเพราะมันไหลเรื่อยมันมีการเคลื่อนไหวอะไรที่พิพคนพูดถึงนวัตกรรมเนี่ยเพราะว่าอะไรก็ตามถ้าหากว่ามันอยู่กับที่ นะมันก็จะหลงร่องแล้วมันก็อาจจะค่อยๆสูญเสียสาระเหลือแต่รูปแบบชิ่งต่างๆเนี่ยที่เราเห็นมันอยู่คงที่เช่นประเพณีเนี่ยประเพณีมากมายนะที่อยู่มาเป็นร้อยร้อยปีแล้วดูเหมือนมันนิ่งนะดูเหมือนมันหยุดนิ่งเพราะคนก็ตั้งใจที่จะ ตะชาดแข็งคนเราเนี่ยพออายุมากขึ้นเนี่ยเราก็ไม่ ช, ชอบเห็นความเปลี่ยนแปลงเอาเรียกว่ามีความรู้สึกแบบอนุรักษ์นิยมก็มีแนวโน้มที่จะรักษาประเพณีให้มันคงที่เอาไว้แล้วเราก็พอใจที่ประเพณีมันยังคงอยู่แต่ที่จริงประเพณีที่เราเห็นเนี่ยมันไม่คงที่นะไอ้ที่เห็นเนี่ยคือรูปแบบแต่ว่า สาระมันแปลเปลี่ยนไปโดยที่บางทีก็ไม่รู้ตัวุกอย่างเช่นประเพณีผ้าป่าเพ่ผ้าป่าเนี่ยมันก็รู้อยู่แล้วนะว่าผ้าป่าเนี่ยคือสิ่งสำคัญนะของประเพณีนี้ถ้าวันใดเราไม่มีการทอดผ้ปาป่าประเพณียุติเนะี่ยโอ้ยคนท้งประเทศก็คงจะ เสียใจหรือโกรธแค้นเราทำไมถึงไม่สืบต่อประเพณีนี้แต่การที่ประเพณีนี้ยังสืบทอดมาจนถึงทุกวันนี้เนี่ยเราก็เกิดความพอใจแต่เราเคยสังเกตไหมว่าประเพณีมั น, ม, นมันแปลเปลี่ยนไปจนบางทีผิดเพี้ยนเพราะเดี๋ยวนี้ผ้าป่านี่ไม่ใช่เป็นเรื่องสำคัญอะไรที่สำคัญนะประเพณีเนี่ยเวลาเราทอดผ้าป่าอะไรที่สำคัญที่สุด มันไม่ใช่ผ้ามันคือเงินผ้านี่บางทีไม่มีได้วยซ้ำนะมีหลายเจ้านีมมา่มาที่วัดปา่าสุกโต้บ้างวัดป่ามหาวันบ้างบอกมาทอดผ้ปาป่าแต่ไม่มีผ้าสักผืนเลยนะมีแต่เงินนะบางทีก็ไม่ได้เอาเงินมาด้วยซ้ำเอาเช็คมาแล้วเราก็เรียอวันนี้คือการทอดผ้ปาป่าดูเหมือนว่ามันคงที่คงตัวนะแต่ที่จริงเนี่ย มันมีความแปลเปลี่ยนเกิดขึ้นคือเหลือแต่รูปแบบนะแต่เนื้อหานี่สู์สลายหายไปตรงนี้แหละที่ทำให้นวัตรกรรมเนี่ยมันสำคัญเพราะว่ามันก็คือการพยายามที่จะสร้างสรรค์สิ่งใหม่เพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของทุกสมัยความเปลี่ยนแปลงตามการเวลาเวลามันไม่ได้แค่เปลี่ยนไปนะแต่สิ่งแวดล้อมมันก็เปลี่ยนไปด้วยและ บุคคลหรือสถาบันเช่นวัดเนี่ยจะอยู่ได้เนี่ยมันก็ต้องปรับเปลี่ยนแต่ไม่ใช่ปรับเปลี่ยนเพื่อความอยู่รอดอันนั้นไม่มีความหมายวัดเราเนี่ยหรือคณะสงฆ์เราจะปรับเปลี่ยนเพื่อความอยู่รอดเนี่ยอันนั้นมันไม่ใช่สาระสาคัญปรับเปลี่ยนเพื่อที่จะได้ทําหน้าที่นะอย่างสมสมัย ไม่ใช่อย่างทันสมัยนะทันสมัยกับสมสมัยไม่เหมือนกันนะปรับเปลี่ยนบทบาทปรับเปลี่ยนรูปแบบปรับเปลี่ยนกิจกรรมเพื่อให้สมสมัยนะเพื่อจะได้ทำหน้าที่ที่เคยมีอยู่นะให้มันเกิดประโยชน์สร้างสารรค์ต่อไปเหมาะกับผู้คนที่มีความรู้สึกนึกคิด ไม่เหมือนคนเมื่อร้อยปีที่แล้วหรือเมื่อสิบปีที่แล้วที่จริงที่พุทธศาสนาเนี่ยสืบทอดมาจนถึงทุกวันนี้ได้เนี่ยแล้วก็มีความหมายตับผู้คนก็เพราะมีนวัตรกรรมอย่างต่อนเนื่องแันที่จริงแล้วเนี่ยนะเมื่อพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงสถาปนาคณะสงฆ์ขึ้นมาเนี่ยอันนี้ถือเป็นนวัตรกรรมนะ พวกเรารู่หรือเปล่าการที่มีคณะสงฆ์เกิดขึ้นในพุทธศาสนาเนี่ยถือว่าเป็นนวัต ก, กรรมอย่างหนึ่งที่สําคัญเลยทีเดียวเพราะสมัยก่อนเนี่ยมันไม่มีชุมชนของนักบวชนะพราหมณ์เนี่ยเขาก็ไม่มีนักบวชบางรัฐที่มีนักบวชเช่นรัฐิเชนหรือว่าพวกปริปาชกแต่เขาก็ไม่มีชุมชน ในลักษณะสังฆะหรือสงฆ์นะอย่างที่ผู้เจา้ามิทรงสถาปนานักบวชจำนวนไม่น้อยก็เที่ยวจาริกไปแต่ผู้เดียวเหมือนกับที่ผู้เจ้าเนี่ยก่อนที่จะตัดสั้นุปัสสาวะสมบทิญญาเนี่ยตอนที่พระองค์สมบทเป็นทุกกิริยาก็บําเพ็ญคนเดียวเรียกว่าตัวใครตัวมันเหมือนกับที่พวกสาพวกนักบวชพวกสาธุ ในอินเดียทุกวันนี้จำนวนมากหรือพวกโยคีชีไพรเนี่ยก็ยังปฏิบัติแต่พระเจ้าเนี่ยทรงเห็นว่าเนี่ยคณะสงฆ์เนี่ยนะเป็นสิ่งสำคัญนะการที่พระเนี่ยแม้จะมุ่งปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบมุ่งให้เข้าถึงอิสรภาพในทางใจคือความพ้นทุกข์ก็ยังควรที่จะมีชุมชนเพื่อส่งเสริมการประพฤติปฏิบัติธรรมให้เจริญงอกงาม ชุมชนที่ว่านี่เป็นชุมชนแห่งกัลยาณ น, นมิตเราคงทราบอยู่แล้วนะพระเจา้าตรัสว่ากัลยาณ น, นมิตเป็นทั้งหมดของพรหมจันทร์กัลยาณ น, นิมิตเป็นทั้งหมดของพรหมจันทร์พรหมจันทร์ก็คือชีวประเสริฐจะเจริญงอกงามได้ต้องมีกัลยาณมิตช่วยสนับสนุนแล้วกัลยาณ น, นมิตจะหาจากไหนก็หาจากชุมชนสงฆ์นี่แหละที่เรียกว่าสงฆะอันนี้ถือว่าเป็นนวัตกรรมนะ เป็นของแปลกใหม่เมื่อ 2,600 ปีที่แล้วและเมื่อผู้จ้าเนี่ยทรงตั้งชุมชนสงฆ์ขึ้นมาแบบนี้ภายหลังนะอาติพรามิฮินดูก็ทำตามนะก็เลยเกิดมีกลุ่มนักบวชที่อยู่กันเป็นชุมชนที่จริงแม้กระทั่งมีเพศ น, นักบวชที่ อ, อยู่กันอย่าไปเริ่มเป็นราวเนี่ยก็มีมาหลังพุทธกาลนะอันนี้มาย ทางลัที่ฮินดูหรือว่าศาสนาพราหมณ์พราหมณ์นี่เขาก็หรือฮินดูเขาก็จเจริญหรือลอกแบบพุทธศาสนาหลายอย่างนะพอสิ่งที่พูะเจ้าเนี่ยทรงสร้างขึ้นมาเนี่ยมันเป็นนวัตกรรมที่มันได้ผลไม่ใช่แค่ชุมชนสองเท่านั้นนะที่เป็นนวัตกรรมเมื่อสองสร้อปีที่แล้วการรวบรวมคำสอนที่เราเรียกว่าที่พ ภ, ภายหลังเราเรียกว่าพระไตรปิฎกเนี่ย อันนี้ก็เป็นนวตกรรมนะเพราะว่ากลุ่มหรือลัทธิจำนวนมากเนี่ยในสถาปัต์การเนี่ยจะเรียกว่าท้านทั้งหมดเลยไม่มีความคิดนะที่จะ ร, รวบรวมคำสอนของศาสดาอย่างพวกบริบาชกเนี่ยเมื่อศรรสาสตราล้มหายตายจากไปนะลูกศิษย์ลูกหากทะเลนะอบบอกแว้งกันอ้างว่าคำสอนของครูบาอาจารย์เป็นอย่างนี้ครูบาอาจารย์เป็นอย่างนั้น อันนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในสมัยตัการทําให้คณะสงฆ์เนี่ยตั้งแต่สมัยปัจจการแล้วนะเช่นพระไตรปุฎหรือว่าพระจุนท้าเนี่ยเห็นว่าจะต้องมีการรวบรวมร้อยกรองคําสอนวิจาร์เนี่ยขึ้นมาเป็นหมวดเป็นหมดูหมดเรียกว่าสังคีตนนินการมีการรวบรวมคําสอนเนี่ยก็เป็นวัตรกรรมอย่างหนึ่งนะที่ทําให้เป็นที่มาของพระไตรปิฎก แล้วพระไตรปิฎกที่มีการจดจารึกนะเป็นอักษรในช่วงสามศตวตรรษต่อมาก็เป็นนวัตกรรมนะเพราะไม่เคยมีมาก่อนแต่าการก็ใช้วิธีการท่องจำแล้วก็ถ่ายทอดกันด้วยคบพูดเรื่อมุขปาฐะเห็นใจได้ว่าเนี่ยในพุทธศาสนาเนี่ยนะมีนวัตกรรมต่างๆเกิดขึ้นมาโดยตลอดซึ่งทำให้พุทธศาสนาเนี่ย ดำรงคงอยู่ได้ยังมีสาระคำสอนก็ไม่สูญหายกรือยกันก็มีการพูดที่ถือทบสืบท อ, อดคำสอนด้วยการปฏิบัติให้เห็นผลจริงจังนะนั่นคือพระสงฆ์และยังมีนลก็การต่อมานะคือการสร้างสัมพันธ์ระหว่างชุมชนสงฆ์นะกับญาติโยมที่เราพุทธบริษัท พระุเจ้าก็ทรงวางหลักเจนเอาไว้หรือวางแบบแผนเอาไว้นะว่าสงเนี่ยนะอยู่ได้ด้วยการอุปถัมภ์ของญาติโยมที่เรียกว่าอุบาสกบริษัทอุบาสิกาบริษัท ต, ต้องมีการพึ่งพาอาศัยกันพระพึ่งพาอาหารปัจจัยสิ่งจากญาติโยมส่วนญาติโยมก็พึ่งพาคําสอนรวมทั้งแบบอย่างทางด้านชีวิตอันประเสริฐจากพระสงฆ์ ฝ่ายหนึ่งก็เกื้อกูลอาหารกายอีฝ่ายนึงก็เกื้อกูนอาหารใจนี่ก็เป็นแบบแผนที่เป็นวัตรกรรมนะจึงมีธรรมเนียมพระบินทบาตรนะพระบินทะบาตนะจากญาติโยมเป็นประจำญาติโยมก็มาฟังธรรมสม่ำเสมอนะการฟังธรรมตามการเป็นมงคลระสูงสุดนะประการหนึ่งและไม่ใช่แค่ในสายวัตกรรหลังจากนั้นต่อมานี่ก็มีการ สร้างสารรค์เชียงตางมากมายอ้เปลยน ง, ง่ายๆนะบุญพระเวศเนี่ยบุญพะเวศเนี่ยนี่ก็เป็นนวัตรกรรมนะแล้วก็จอะจงเด่นชัดในเมืองไทยนะแล้วก็ประเทศใกล้เคียงบุญพะเวศเนี่ยนะมันไม่มีในสมัยพุทธกาลนะแต่ว่าชาวพุทธไทยที่เป็นบัพพบรุษ ข, ของเราเนี่ยท่านคิดค้นขึ้นมาเพื่อ น้อมนำญาติโยมให้มาใกล้ชิดกับสิ่งที่เป็นอุดมคติของพุทธศาสนาหรือไม่ใช่แค่นิพพานแต่รวมถึงการบาเพ็ญบา ร, รมีที่สำคัญประการก็คือทานนาำใหม่หรือทานนำบา ร, รมีบุญพระเวทนี่ก็เอาเรื่องของพระเวทสันดอนขึ้นมาเพื่อชักนำให้ผู้ค น, นได้ซาบซึ้งศรัทธาใน อันนี้สงและพรัุภาพของทานบารมีในทางที่เป็นสิ่งที่จะพาเข้าสู่พร ะ, พระนิพพานได้เอาดงกติสูงสุดของพุทธศาสนาเนี่ยเข้ามาสู่ชีวิตจิตใจของผู้คนของญาโยมทั้งหลายซึ่งยังหาเช้ากินค่ำแล้วก็ยังอยู่ในโลกให้เห็นว่าเนี่ยนิพพานเนี่ยเป็นสิ่งสาคัญและสิ่งที่จะเข้าถึงได้ สิงหนึ่ที่ช่วยก็ถึงได้คือทานเป็นการให้ทานชนิดที่ว่าไม่ใช่เพื่อเอานะแต่เป็นการให้เพื่อสละจริงๆและไม่ใช่ให้เฉพาะเงินทองแม้กระทั่งอวัยวะหรือแม้กรทั่งลูกเมียซึ่งเป็นของรักของห่วงของมนุษย์ปุถุชนก็พร้อมที่จะสละซึ่งเป็นเครื่องหมายของการไม่ยึดติดถือมัน่นเพราะเมื่อเราจะเข้าถึงนิพพานได้ก็ต้องละความยึดติดถือมั่นใน ของเราในตัวเราเพราะจริงๆแล้วลูกก็ไม่ใช่ของเรานะเมียก็ไม่ใช่ของเราเ อ, า ว, อาวัยวะร่างกายก็ไม่ใช่ของเราเฉ่าะแต่ทรัพย์สมบัตนะินี่คือการให้ทานอั น, อนสูงสุดนะั่คือการสละซึ่งความยึดมั่นถือมัน่นอุดมกับตัสูงสุดแบบนี้นี่มันเข้าถึงยากนะแต่ว่าคนสมัยก่อนนี่ก็เอาก็สร้างสารรค์บุญประเพณีบุญเพลาเวขึ้นมานะ เพื่อให้คนปุถุชนเนี่ยได้เข้าใจแล้วก็เกิดศรัทธาภาสาธาที่จะบำเพญ็ญบุญบา ร, รมีเริ่มต้นจากทานบา ร, รมีเพื่อเข้าถึงพระนิพพานแล้วก็เป็นการเชิญชวนด้วยอุบายที่เรียกกุตสโลบายไม่ใช่โดยการเทศแต่ด้วยวิธีการต่างๆมากมายซึ่งชวนให้เกิดความตื่นตาตื่นใจ บุญเทเวรนี่เป็นบุญที่เป็นงานบุญที่สนุกนะแม้สาระจะลึกซึ้งนะแต่ว่าเป็นงานบุญที่สนุกสนุกนี่คือสนุกในความรู้นเริงคนสมัยก่อนนะคนสมัยนี้ไม่สนุกด้วยแล้วบุญเทเวเนี่ยแต่คนสมัยก่อ น, นสนุกจริงๆนะเพราะสมัยนั้นมันไม่มีวิทยุโทรทัศน์ไม่มีหนังไม่มีไม่มีเทปเพลงจะหาความบันเทิงศุนยอดประจําปีนะ ที่เทียบเท่างานบุญพรเวทนี่สมัยก่อนไม่มีแล้วนะมันสนุกนะสนุกทั้งในเรื่องของความบันเทิงสนุกทั้งการที่ได้ทำอะไรร่วมกันเช่นนะการวาดภาพการทำธงการประดับประดาสาราโบดเอาศิลปะทั้งหลายที่มีในชุมชนเนี่ยมาแปลรูป ให้กลายเป็นผลงานที่สร้างสรรค์แม้แต่การเทศของพระนี่ก็ไม่น่าเบื่อนะียโดยพราะเทศการชูชกนี่สนุกมากเลยแต่มันไม่สนุกสําหรับคนสมัยนี้แล้วนะอาตมาไปฟังแล้วก็ไม่สนุกเลยแต่คนสมัยก่อนสนุกมากนะการชูชกเนี่ยนะถึงพอถึงกันมัดซีนี้ก็ร้องไหยย้หรือทีเดียวนวตกรรมนี่นเนี่ยแต่ถามว่ามันใช้ได้ไหมสําหรับยุคนี้เนี่ย ถึงยุคนี้มันไม่ใช่นวัตกรรมแล้วนะบางทีทราบคนรุ่นใหม่เขาก็มองว่เป็นประเพณีที่มันมันเลื่ล่าลาสมัยแต่ถ้าหาว่าชุมชนชาวพูทเราหรือตามชนบทหรือแม้แต่ในเมืองยังยังยังวนเวียนอยู่กับเรื่องเท่านี้เรื่องแค่นี้หรือเรื่องแบบนี้เท่านั้นนะมันก็ไม่สามารถที่จะดึงดูดคนสมัยใหม่หรือคนรุ่นใหม่ได้ นี่คือผลที่จำเป็นต้องมีนวัตกรรมที่สามารถจะน้อมนำผู้คนรุ่นใหม่ให้มาเข้าใกล้เข้าถึงบูรพติสงส์พุทธศาสนาโดยมีสิ่งที่น่าตื่นตาตื่นใจแต่ทุกวันนี้เราไม่มีนวัตกรรมแบบนี้ลแล้วเราก็ยังติดยุดกับบุญพระเวทอยู่นะซึ่งมันก็ดึงดูดได้เฉพาะคนรุ่นเก่ารุ่นแก่กรเบวนการเทศการเท ศ, เ, ทศเดี๋ยวนี้ก็มีแต่คนเท่าคนแก่ ที่มาฟังซึ่งก็นับวันจะล้มหายตายจากไปทีละคนสองคนที่เรมาพูดมาทั้งหมดเนี่ยเพื่อช่วยเห็นว่าพุทธศาสนา เ, นเราอยู่ได้เนี่ยเพราะการที่มีนวัตรกรรมหรือการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นอยู่เสมอไม่ได้ขาดที่จริงแมก้กระทั่งประเพณีบวชพระเมื่อยุคครบ20เนี่ยนะก็เป็นนวัตรกรรมนะเพราะสมัยก่อนเนี่ยหรือในประเทศอื่นเนี่ยบวชเนี่ยคือบวชตลอดชีวิต แล้วก็ไม่ได้ขึ้นถึงว่าจะต้องบวชเมื่อไหรแต่ประเพณีบ๋องไทยเราเนี่ยถึงอายุยี่สก็บวชบวชเสร็จก็มีโอกาสได้สึกถ้าเป็นพม่าลังกานีิบวชแล้วไม่สึกนะแต่ของเราเนี่ยนี่บวชให้สึกได้แต่ว่ามีประเพณีว่าเนี่ยครบยี่สบแล้วควรจะบวชจะได้เป็นคนสุขบวชเพื่ออะไรเพื่อมาเรียนเรียนอะไรนะเรียนตั้งแต่ วิชาทางโลกไม่ใช่แต่เรียนทางธรรมจะได้มีความรู้ทั้งทางโลกและทางธรรมเป็นผู้นำครอบครัวต่อเมื่อบวชแล้วจริงจะแต่งงานได้เป็นหัวหน้าครอบครัวได้รู้หรือเปล่าวนี่คือนวัตรกรรมที่พิเศษของสังคมไทยที่ไม่มีในประเทศอย่างพมา่าหรือว่าลังกาเพราะถ้าบวชแล้วนี่หมายถึงบวชตลอดชีวิตใครศึกมานี่ก็ถือว่า ไม่รู้จะอยู่ที่ไหนต้องย้ายไปที่อื่นเพราะว่าเป็นที่อรังเกียจถ้ามันจะเปลี่ยนแปลงไปก็เพิ่งเมื่อเร็ ว, ร ว, รวนี้นี่แหละคราวนี้เนี่ยอย่างที่บอกไว้แล้วว่านวัตกรรมเนี่ยมันหรือการสร้างสรรค์สิ่งใหม่เป็นสิ่งสําคัญเพราะว่าถ้าเราไม่ทําอะไรเลยอยู่กับที่เนี่ยนะในความเปลี่ยนแปลงของโลกเนี่ยมันก็จะทําให้เกิดปัญหาเกิดผลกระทบต่อ ชุมชนชาวพุทธหรือไม่เว้นแม้กระทั่งชุมชนสงฆ์คืออย่างเช่นเดี๋ยวนี้พฤติกรรมของชาวบ้านก็เปลี่ยนไปแล้วเดี๋ยวว่าในเมืองเข้าวัดน้อยลงแต่ก่อนเข้าวัดเพื่อมาทำบุญนะใส่บาตรบ้างละถอยสังฆทานบ้างละแต่เดี๋ยวนี้นี่ไม่ต้องมาเองก็ได้แล้วนะ ไม่ต้องมาเองก็ได้แล้วโอนเงินทางธนาคารโอนเงินออนไลน์แล้วเดี๋ยวนี้ก็มีคนรับจ้างนะมาถวายสังฆทานแทนได้ไม่ต้องมาเองไม่ต้องใส่บาตนี่ไม่ต้องใส่บาทเองมีคนรับจ้างใส่บาตให้ติดต่อทางโทรศัพท์มือถือโอนเงินให้นะแล้วเขาก็ไปใส่บาทแทนให้เขาไปถวายสังฆทานแทนให้แล้วเขาก็ส่งรายงานส่งภาพกลับมาให้เราร่วมนุโมทนา นี่คือความเปลี่ยนแปลงนะเป็นวัตกรรมแบบหนึ่งนะแต่ว่ามันไม่ได้อาจจะไม่เป็นประโยชน์ต่อความสัมพันธ์ระหว่างพระสงฆ์กับญาติโยมเท่าไหร่และหลายคนเดี๋ยวนี้ก็มไม่ต้องมาฟังธรรมแล้วก็ได้เพราะว่าสามารถจะดูทาง YouTube สามารถจะดูที่บ้านผ่านการแสดงการถ่ายทอดไลฟ์สด นี่ก็เป็นนวัตกรรมที่ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างพระกับญาติโยมแต่ที่จริงเนี่ยมันมีความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้แล้วนะที่ทําให้ญาติโยมกับพระเนี่ยหืนห่างกันห่างไกลจากแบบแผนที่พระเจ้านี่เคยสร้างสรรค์เอาไว้คือพระกับโยมอยู่ใกล้ชิดเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยพระเนี่ย หรือวัดเนี่ยก็ตอบโจทย์ชาวบ้านได้น้อยลงทุกทีน้อยลงทุกทีสมัยก่อนเนี่ยสงเนี่ยหรือชุมชนสงเนี่ยมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันญาติโยมกับบ้านเนี่ยวัดกับบ้านมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันเนี่ยเพราะว่าวัดเนี่ยสามารถตอบโจทย์ของชาวบ้านได้มากมายแม้พระเจ้าเนี่ยจะ ว่าหมายชุมชงสงเนี่ยเอื้อเฟื้อกืุ้ญาติโยมในทางธรรมแต่ว่าเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยพระสงฆ์ก็ทำอะไรมากกว่านั้นโดยเฉพาะในเมืองไทยนี่ยเห็นได้ชัดวัดเนี่ยไม่ได้เพียงแต่ว่าสอนธรรมะกับญาติโยมแต่ว่ายังเอื้อเฟื้อประโยชน์ด้านอื่นกับญาติโยม อย่างที่เราก็คงทราบดีว่าสมัยก่อนเนี่ยวัดเนี่ยเป็นศูนย์กลางของชุมชนการศึกษาก็ดีการสาธารณาสุขก็ดีความบันเทิงก็ดีความรู้เรื่องการท ร, รมาจินก็ดีหาได้จากวัดพระทรไม่ได้สอนแต่เรื่องของธรรมะที่นำผู้คนไปสู่ความพ้นทุกข์แต่ว่าท่านยังสอน นะเรื่องของความรู้ทางโลกอ่านออกเขียนได้สมัยก่อนจะมาอ่านออกเขียนได้ก็มาอ่านออกเขียนได้ที่วัดความรู้ด้านสมุนไพรก็มาหาได้จากที่วัดเจ็บป่วยอะไรก็มาหาหลวงพ่อหลวงพ่อท่านก็รักษาให้โดยสมุนไพรด้วยความรู้ที่มีวิชาทางโลกศิลปะทางทางโลกก็มาเรียนจากวัดไม่ว่าจะเป็นการวาดรูป ก, การหล่อพระแม้แต่สมัยก่อนเนี่ยจะเรียนชกมวยนะ ก็มาเรียนที่วัดเพราะว่าหลวงพ่อเนี่ยเคยเป็นนักมวยความรู้ทางโรคบรรดามีเท่าที่มีในยุคสมัยเนี่ยหาได้จากวันแม้กระทั้งในวังเนี่ยต้องการพระต้องการช่างที่จะมาหล่อพระสมัยหนึ่งนะสมัยรอสี่รอสามเนี่ยก็ต้องมาขอนิมนพระไปช่วยทำงานนี้ให้ วัดมาทานเนี่ยมีคำกล่าวว่าในวังเนี่ยนะมีความรู้มีทักษะด้านศิลปะด้านใดวัดหมาทาสก็มีเหมือนกันอันนี้เป็นนวตกรรมนะก็คือว่าในเมื่อชาวบ้านเนี่ยเขาไม่มีที่พึ่งพระนี่ก็ทาหน้าที่เอื้อเฟื้อเกื้อกูล ไม่ใช่แค่ทางธรรมแต่ทางโลกก็ทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างพระกับโยมวัดกับบ้านแน่นแฟน้นแต่ก็มีพระเป็นเป็นแกนนะความแน่นแฟน้นนี่ไม่ใช่ว่าแน่นแฟน้นเพื่อดึงพระไปสู่ทางโลกแต่ที่จริงแล้วเนี่ยความแน่นแฟน้นในความสัมพันธ์เนี่ยเป็นการชักนำให้ชาติโยมเนี่ยเข้าสู่ธรรมอย่างน้อ ย, อยก็มีศีลมีธรรมแม้แต่ยังไม่ข้นถึงขั้นเข้าถึงปรมตท ธ, ธรรมก็ตามจากคนนี้เนี่ย พอมันมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในบ้านเมืองรชัชการก็สร้างโรงเรียนขึ้นมาคนก็ไม่เป็นต้องมาเรียนที่วัดก็เข้าโรงเรียนอยากจะรู้หนังสือก็ไม่ต้องมาวัดมาเป็นเด็กวัดก็ไปเข้าโรงเรียนแต่ก่อนเรียนแค่ป .4 เดี๋ยวนี้เรียนถึงม .25 หรือมอ .6 สมัยก่อนนี่ชาวบ้านที่อยากจน ส่งลูกไปโรงเรียนไม่ได้ก็มาเรียนที่วัดเป็นสา ม, มนเณรเป็นสา ม, มนเณรก็เป็นโอกาสในการที่จะศึกษาความรู้แต่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องละเพราะการศึกษาของรัฐเข้าถึงทุกหมู่บ้านเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ลูกมาเรียนหนังสือก็ไม่ต้องมาเป็นเนรละก็มาเรียนในโรงเรียนเลยจนจบม .6 นะ อันนี้คือเหตุผลว่าทำไมเนในเมืองไทยตอนนี้มีน้อยลงไปเรื่อยๆน้อยลงมากเลยนะเพราะว่าการศึกษาในทางโลกหรือของร้านที่เขาเข้าถึงทุกหัวระแหงไม่ใช่โรงเรียนเดียวโรงพยาบาลมีโรงพยาบาลแล้วคนเจ็บคนป่วยก็ไม่ต้องมาวัดมาให้หลวงพ่อรักษาก็เข้าโรงพยาบาลแต่การความบันเทิงก็มีที่วัดนะ บุญพระเวนี่ก็เป็นแหล่งเป็นโอกาสแหล่งความบันเทิงอย่างหนึง่งและสมัยก่อนบางทีนิวัดก็มีมีวิกฤกมีวิกฤกเกงานวัดนี่ก็เป็นงานบันเทิงนะมีดนตรีมีมรสศพแต่เดี๋ยวนี้จะหาความบันเทิงก็ไม่ต้องมาวัดแล้วเพราะมันมีโรงหนังเดี๋ยวนี้มันยิ่งโรงหนังสิ่นะมีคอนเสิร์ตมีการแสดงมากมายก็ล้วนแล้วแต่อยู่นอกวัด อย่างอื่นอีกมากมายนะศิลปะต่างๆมากมายเดี๋ยวนี้ก็อยู่นอกวัดพระก็เลยในแง่นึงก็เรียกว่าภาระหน้าที่ก็น้อยลงแต่ว่าในแง่นึงก็คือว่าการตอบโจทย์ของวัดให้กับบ้านเนี่ยมันก็น้อยลงไปด้วยซึ่งก็เป็นเหตุผลว่าทําไมคนเข้าวัดน้อยลงและยิ่งตอนหลังพระเรา คณะสงฆ์จำกัดบทบาทให้พระทำแต่เรื่องพิธิกรรมเรื่องอื่นไม่ต้องสนใจวัดก็เลยตีกรอบตัวเองเนี่ยอยู่แต่เรื่องพิธีกรรมที่จริงหน้าที่อื่นก็มีนะการสอนญาติโยมแต่ว่าอันนี้ก็เป็นปัญหาเรื่องหนึ่งนะก็คือว่าพระเราเนี่ยการศึกษาคณะสงฆ์ก็อ่อนแอพระไม่มีความรู้แม้กระทั่งในทางป ร, ริยัติธรรมความรู้ในทางโลกพระก็อ่อน ว่าญาติโยมแถมความรู้ทางด้านเรตธรรมพระก็มีน้อยลงเพราะว่าการสื่อสาคณะสองฆ์อ่อนแอรกระปอกกระเปียเดี๋ยวนี้ญาติโยมนี่มีความรู้ทางธรรมมากกับพระด้วยซ้ำนะเพราะว่าเข้าถึงได้ทางอินเทอร์เนต็ตเข้าถึงได้ทางหนังสือนังหาหนังสือธรรมะที่ที่ขายดีเนี่ยใครอ่านนะั่นไม่ใช่พระซื้อนะหรือพระอ่านนะญาติโยมเขาซื้อแล้วเขาอ่านเ้าก็มีความรู้ จำนวนไม่น้อยนี่มากกว่าพระพระแม้กระทั่งในวัดเนี่ยในกรุงเทพนะบางทีไม่กล้าเทศสอนญาติโยมอาตมาเคยเคยไปช่วยจัดงานศพให้กับเพื่อนที่เขาสูญเสียแม่ญาติโยมครอบครัวก็ก็มาทําบุญให้กับวัดแห่งหนึ่งในกรุงเทพแต่เพื่อการทําบุญนั้นมีความหมายก็นิมนต์พระเทพเมื่อพระ เ, เมื่อญาติโยมเนี่ยทําบุญเลี้ยงพระเสร็จปรากว่าพระที่เราติดต่อเนี่ยซึ่งเป็นมหานะไม่กล้าเทศเพราะว่าไม่มั่นใจว่าความรู้ที่ตัวมีเนี่ยมันพอไหมสํารวจญาติโยมเพราะลึกๆก็รู้ว่าญาติโยมมีความรู้มากกว่าจบปริญญานะหรือมีความรู้ทางโลกมากกว่าอันนี้เพเพราะทําทไมพระจํานวนไม่น้อยนี่ก็พยายามที่จะไปเรียนเอาปริญญาจากมหาลัยสงศ์ แต่ก็น่าเสียดายที่ความรู้ที่หมหาชลัยส่งมอบให้มันก็เทียมไม่ได้กับความรู้จากหมหาชลัยทางโลกที่ญาติโยมส่วนใหญ่เขาได้เรียนกันคราวนี้พอพระเนี่ยความรู้ทางคำก็น้อยความรู้ทางโลกก็ไม่มากก็เลยจํากัดบทบาทตัวเองที่เรื่องพิธีกรรมและพิธีกรรมที่สาคัญคืองานศพ เดี๋ยวนี้คงปฏิเสธไม่ได้ว่าเจ้าโยมส่วนใหญ่หรือประชาชนทั่วไปจะเข้าวัดจริงๆก็เพราะเมื่อมีงานศพหรือเมื่อประสบข้อกรรมนะญเสียคนรักอยากจะมาสะดอกเคราะห์แต่ถ้าชีวิตไปปกติแล้วเนี่ยก็ไม่มีเหตุอะไรที่ต้องเข้าวัดนอกจากมางานศพของคนที่ตัเองรู้จักหรือคนที่เตเงรักเดี๋ยวนี้นวัดจุฬนมา ก, ก็ มีบทบาทเพียงเท่านั้นโดยเฉพาะวัดในเมืองสิ่งสําคัญคือว่าจะช่วยหาที่จอดรถให้พอเพียงกับผู้ที่มางานศพได้อย่างไรมีแต่การสวดแต่ไม่มีการเทศไม่มีการสอนธรรมซึ่งต่อไปก็น่าเป็นห่วงนะว่าเมืองไทยพุทธศาสนาไทยนี่จะเจริญลอยตามญี่ปุ่นหรือเปล่านะญี่ปุ่นตอนนี้เนี่ยวัดในพุทธศาสนาแทบจะทั้งนั้นเลยนะมีบทบาทเพียงแค่การ ทำพิธีศพคนญี่ปุ่นเวลาตายเนี่ยก็มาตั้งศพแล้วทำบุญกันที่วัดถ้าแต่งงานก็ไปบทถคริสต์นะแต่ถ้าตายนี่ก็มาวัดไทยวัดพุทธพระนี่ก็อยู่ได้นะเพราะเงินจากค่าทำศพรวมทั้งจากการสวดเมื่อครบปีของคนตายคนญี่ปุ่นนี่จริงจังมากนะ เม e. evet. ื่อคนตายครบปีครบสามปีครบห้าปีครบเจ็ดปีนี่ก็จะต้องทําพิธีแล้วคนญี่ปุ่นเนี่ยศพเนี่ยหรือถ้าอัฐิกระดูกเข้าไว้ที่วัดเพราะนั้นมาทําบุญเนี่ยอัฐิก็ต้องมาทําบุญที่วัดและพระไปอยู่ได้เพราะเงินทําบุญจากงานศพหรือจากคนหรือเกี่ยวข้องกัคนตายเวลาจะคนตายคนเวลาตายคนหนึ่งจะเขียนชื่อให้กับผู้ที่ร้องรับนะเขาก็จะคิดค่าพราก็คิดค่าเขียนชื่อนเป็นหมื่นนะ เขียนใส่ป้ายคนญี่ปุ่ น, นเวลาตายก็จะเปลี่ยนชื่อนะก็จะมีชื่อใหม่ชื่อในปรารภแล้วชื่อนี้เนี่ยพระเนี่ยก็จะตั้งแล้วก็เขียนใส่ป้ายแค่นี้แหละได้มาหลายหมื่นแล้วเป็นรายได้ดีมากแล้วพระก็อยู่ได้เพราะเหตุ น, นี้หนะจนกระทั่งมีคนพูดว่าพุทธ ศ, ศาสนาเนี่ยเป็นศาสนาแห่งพิธีศพนี่คือญี่ปุ่นนะ แต่เพราะว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาให้ความสําคัญกับเรื่องการทําพิธีศพหรือการทําพิธีบูทิบุญกุศลเนี่ยคนตายพระจะมีบทบาทสําคัญแต่พระในญี่ปุ่นก็ลดน้อยถอยลงไปทุกทีเพราะคนก็ไม่มีศรัทธาแล้วทำไงนะถึงจะให้มีพระอยู่ประจําวัดเพื่อทาพิธีศพก็เลยอนุญาตให้พระมีครอบครัวได้เพราะถพระมีครอบครัวมีลูก พอพ่อตายลูกก็มาเป็นเจ้าวาดแทนก็ทำพิธีประกอบพิธีกรรมต่อไปได้คือพระจะมีเมียหรือไม่มีเมียไม่สำคัญขอให้มีผู้มาประกอบพิธีจัดงานศพแล้วก็ทำบุญอุทิศให้กับผู้ตายเท่านี้เขาก็พอใจแล้วเมืองไทยจะเป็นไปถึงจุดนั้นก็ได้นะเพราะเดี๋ยวนี้หลายวัดเนี่ยพยายามหาพระมาอยู่วัด โดยเพาะในช่วงขบัษาพระจะกินเล่าบ้างก็ได้ไม่เป็นไรขอให้มีพระอยู่เฝ้าวัดจะได้ม า, าประกอบพิธีกรรมให้กับชาวบ้านเพระาะสารชาวบ้านนี่พิธีกรรมเป็นเรื่องใหญ่ทรรมาหรือวินัายเป็นเรื่องเล็กนะนี่ก็คือความเปลี่ยนแปลงที่คนเมื่อร้อยปีก่อนอาจจะนึกไม่ถึงนะแล้วเราจะทำอย่างไรนะพะถ้าเราไม่มีไม่มีความไม่ ไม่มีนวัตรกรรมนะหรือไม่มีการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ไม่มีการปรับตัวนะต่อไปเมืองไทยก็ก็คงเหลือแต่รูปแบบในด้านพุทธศาสนาวัดก็ไม่ได้มีบ ท, บทบทบาทอะไรมากกับญาติโยมกับผู้คนเพราะ 1. พฤติกรรมของญาติโยมก็เปลี่ยนไปมีความศรัทธาในพระสงฆ์ก็ลดน้อยลงสอง พระก็มีบทบาทน้อยลงต่อชีวิตของผู้คนต่อญาติโยมนอกจากเรื่องพิธีกรรมซึ่งส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าไม่มีความสามารถที่จะทำอะไรได้มากกว่า น, นั้นอีกส่วนหนึ่งก็เพราะว่าไม่ได้เห็นคุณค่าหรือเกิดศรัทธาประสาธาในการปฏิบททัติธรรมอย่างแท้จริงจึงเห็นพระจำนวนไม่น้อยเนี่ยนะก็ใช้ชีวิตไม่ต่างจากญาติโยมไม่ต่างจากชาวโลก ชาวโลกลหลงไหลในการมาสุขอย่างไรพระเจ้าโนไม่น้อยก็ลหลงไหลในการมาสุขอย่างนั้นชาวโลกเนี่ยสนใจเงินทองเพียงใดพระเจ้าโนไม่น้อยก็สนใจเงินทองอย่างนั้นการที่ชาวโลกสนใจเรื่องของชื่อเสียงกิตติยศพระก็เจ้าโนไม่น้อยก็สนใจเรื่องสมณศักดิ์วิ่งไล่ล่าเพื่อที่ได้ไต่ต้าเอาดีทางด้านคณะสงฆ์เพื่อได้มีสมณศักดิ์สูง แบบนี้มันก็ยิ่งทำให้ญาติโยมเนี่ยก็คลายความศรัทธาในพระส่วนวัดเองเนี่ยก็มีบทบาทน้อยลงก็เลยแต่สถานที่ประกอบพิธีกรรมแม้ว่าจะมีวัดจนวนไม่น้อยเนี่ยที่มีหลวงพ่อหลวงตาหลวงปู่ที่เข็นขันแข็งเป็นที่เคารพศรัทธาแต่ก็ไม่มีความแน่นอนเลยนะว่าถ้าท่านมรณภาพาไปวัด ของท่านเนี่ยจะยังคงบทบาทหรือสถานภาพอย่างที่หลวงพ่อหลวงตาหลวงปู่ท่านนั้นเนี่ยท่านได้เคยประคองเอาไว้หรือเปล่านั้นมันมีความจำเป็นมากนะที่จะต้องให้ความสำคัญการปรับเปลี่ยนบทบาทของวัดแล้วก็บทบาทของพระสงฆ์ซึ่งต่ว่าไปแล้วเนี่ยมันก็การปรับเปลี่ยนที่ว่าเนี่ย มันไม่ใช่ปรับเปลี่ยนโดยตัวมันเพื่อเพื่อปรับเปลี่ยนโดยที่ขอให้ได้ชื่อว่าปรับเปลี่ยนนะแต่จริงมันคือการปรับเปลี่ยนหรือสร้างวัตกรรมเพื่อกลับคืนกลับมาสู่สาระสาระเดิมๆที่มีความหมายต่อชีวิตของผู้คนสาระที่วาเนี่ยคือนะการชวนให้ผู้คนเนี่ยได้กลับเข้ามาหาธรรมะ แะธรรมะที่ว่าเนี่ยนะมันไม่ต้องเป็นธรรมะขั้นสูงเลยนะเริ่มจากธรรมะขั้นพื้นฐา น, น, นธรรมะขั้นพื้นฐานนี่คือการทําความดีการทําความดีเนั่นเราเรียกว่าบุญความดีหรือบุญขั้นพื้นฐานเนี่ยคืออะไรนะตรงนี้ถ้าเราจับหลักให้มั่นเนี่ยมันก็จะทําให้การสร้างสรรค์สิ่งใหม่เนี่ยมันมีทิศมีทาง สมเด็จพระสศาจารย์เนี่ยท่านพูดว่าเนี่ยการทำบุญพื้นฐานเนี่ยก็คือการที่ทำให้คนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีรวมถึงการมีชุมชนสิน่งแวดล้อมที่เกื้อกูลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีพมกเราที่สนใจพุทธศาสนาคงทราบดีแล้วว่าเวลาพูดถึงประโยชน์เนี่ย มี3ประการเนี่ยประโยชน์พื้นฐานเลยนะเขาเรียกว่าทิฏฐธรรมิกตถาเรียกว่าประโยชน์ปัจจุบันหรือประโยชน์ตาเห็นประโยชน์ตาเห็นเนี่ยก็คืออะไรนะก็คือเรื่องของสุขภาพเรื่องของช่วยคาเป็นอยู่เรื่องของครอบครัวเรื่องความสัมพันธ์การมีงานที่ดีมีความสมาุมอบอุ่นเป็นต้ น, นความสําเร็จของพุทธศาสนาโดยเพราะ พระสงค์ไทยเนี่ยในอดีตก็คือการที่ทำให้ผู้คนเนี่ยนะได้เข้าถึงประโยชน์ปัจจุบันหรือประโยชน์ตาเห็นเป็นการทำให้บุญพื้นฐานได้เกิดขึ้นจริงๆคือการมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความเป็นอยู่ที่ดีซึ่งก็เริ่มต้นจากของการมีอาหารการกินที่ไม่ขาดแคลนมีสุขภาพดี มีสิ่งว่ารอำชื่อดีตรงนี้เนี่ยชาวพุทธใจสมัยก่อนเนี่ยเห็นความสําคัญอย่างที่อาตมาเคยเล่าเมื่อปีที่แล้วนะถ้าจำไม่ผิดเนี่ยพระสมัยก่อนเนี่ยนะท่านจะเวลาท่านเทศเนี่ยนอกจากท่านเทศเรื่องพระเวสันดรแล้วเนี่ยท่านจะพูดถึงเรื่องราวของบุคคลคนหนึ่งนะชื่อมัคคมานนบมคัคคะมานนเนี่ยนะ เป็นเรื่องเล่าในสายพุทธการหรือว่าเป็นเรื่องเล่าที่มีมาก่อนนั่นนั้นที่ว่าเป็นคนที่วขวนขวายในการทำเพื่อให้ชุมชนเริ่มต้นจากการทำลานวัดให้สะอาดลานหมู่บ้านให้สะอาดให้ผู้คนได้มาใช้สอยต่อไปก็ทำารากลางทลานกลางบ้านให้สะอาดหมดจดนะเห็นแล้วสบายหูสบายตาตอนหลังก็ ทำทางเดินทำถนนนทางให้เรียบร้อยเอาจอบเอาเสียมเนี่ยไปทำทางที่มันเคยรกเนี่ยให้มันสัญจรได้สะดวกสบายต่อหลังก็มีคนมาร่วมทำกันเยอะแยะรวมทำกันมากขึ้นก็ขยายจากการทำสะอาดทำความสะอาดถน น, นทางมาเป็นการก่อสร้างศาลาที่พักคนเดินทางสร้างสะพานทำสวนขุดบ่อน้ำ ให้ผู้คนได้ใช้สอยทําสิ่งกันล้อมให้ลมรื่นท่านใช้คำว่ารมมณีถ้าต่อหลังเนี่ยก็เ ช, ชวนชาวบ้านให้มาร่วมมือกันเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปันกันรวมทั้งไม่เอาเปรียบเบียบเบียนกันด้วยการถือศีลห้าถ้าต่หลังเนี่ยก็ชวนกันทําประโยชน์ให้กับชุมชนมากมายอันนี้คือความหมายของเขาบุญพื้นฐานก็คือการ ช่วยทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นทำให้สิ่งวัลล้อมนะมันร่มรื่นเป็นการทำประโยชน์ในทางรูปธรรมซึ่งเป็นประโยชน์ทางโลกแต่ว่าก็น้อมใจให้ผู้คนเนี่ยเข้าหาธรรมะก็ะคือพอผู้คนใส่ใจส่วนรวมมีสิ่งวัลล้อมที่ดีก็ให้รู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปันกันแล้วก็ถือศีลห้า ต่อหลงมาข้ามานพและเพื่อนเนี่ยซึ่งมีทั้งหมดสาย2คนรวมมานักมาข้ามเราเป็นสาย13เนี่ยพอตายเนี่ยก็ได้เป็นพระอินทร์นะดาวดึงเนี่ยก็คือที่ที่สวัสดีมีพระอินทร์อยู่และพวกราทั้งหมดสาย13อันนี้ก็เรียกว่าเป็นกาเนิดพระอินทร์ตําำนานพระอินทร์ซึ่งมันสะท้อนในเห็นนะัถึงดงปติของชาวพุทธนะว่าการทําความดีเนี่ย เราต้องเริ่มต้นจากการทําความดีหรือการทําบุญขั้นพื้นฐานก็คือช่วยกันทําชุมชนให้ดีมีความเอเื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปันกันมีถนนหนทางมีบ่อ น, น้ํามีสถานที่ที่ร่มรื่นและแน่นอนก็มีชีวิความเป็นอยู่ที่ไม่อัตคัดขัดสนอก่อนที่คนเราเนี่ยจะจะมีสิ่งมีทําได้เนี่ยมันก็ต้องเริ่มต้นจากการที่มี ความเป็นอยู่ที่ดีอาจารย์ที่เราจะเน้นจากการเทศการสอนให้คนมีศิลธรรมซึ่งก็สําคัญแต่ถ้าพระเราเนี่ยนะทำทำอย่างอื่นด้วยเช่นการชักชวนชาวบ้านให้มาช่วยเหลือเกื้อกูลกันหรือการพระการที่พระเป็นผู้นําในการทําให้ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านดีขึ้นมันก็เป็นการส่งเสริมศิลธรรมไปด้วยในตัวนะ มันมีพระมีพระสูตรหนึ่งนะชื่อว่ากูตะทานตสูตรเป็นเรื่องของเมืองเมืองหนึ่งซึ่งมีโจรผู้รายเยอะแยะพระราชาก็ปรึกษาพรามกุโรหิตว่าทำางไงถึงจะทำให้โจร น, น้อยลงมีคนเสนอพระราชาเสนอว่าเนี่ยจะมาทรมานหรือเพิ่มบทลงโทษให้รุนแรงมากขึ้นจะดีไหมพรามกุโรหิตบอกว่า ทำเช่นนั้นเนี่ยก็มีแต่ทำให้โจรมากขึ้นและต่อไปอาจจะโจรอาจจะโหดร้ายมากขึ้นอาจจะถึงขั้นฆ่าเจ้าทุกตายหรือฆ่าพยานหลักฐานเพราะว่ากลัวจะถูกจับถูกลงโทษอย่างรุนแรงพรามก็เสนอว่าเนี่ยให้พระราชาเนี่ยนะแบ่งปันทรัพยนะ์มอบทรัพย์ให้เป็นทุนสำหรับการทำมาหากินของพ่อค้าแม่ค้า ส่วนเกษตรกรก็หามเมล็ดพันธุ์ไปให้เพื่อทำการปลูกส่วนข้าราชการก็ให้เงินเดือนให้เบี้ยห ว, วัดถ้าทำาช่นนี้ได้เนี่ยต่อไปโจรผู้ร้ายจะน้อยลงคนจะอยู่ในศีลในธรรมมากขึ้นถ้าราชาทำตามนะก็บอกว่าโจรผู้ร้ายเนี่ยน้อยลงการขโมยมีน้อยลง ชาวบ้านอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องปิดประตูบ้างมีความสุขแม้กระทั่งเด็กน้อยเนี่ยก้อนอยู่บนอกของแม่เด็กน้อยเนี่ยฟ้อนหลับอยู่บนอกของแม่แปล ว, ว่ามีความสุขคนมีศีลธรรมเพราะว่าไม่อัตคัดขาดแคลนไม่มีความเป็นอยู่ที่ดีมันก็นําไปสู่การที่มีศีลมีธรรมอันนี้ก็คล้ายๆกับเรื่องของมัคคะมานนบนะที่พอเป็นเจ้ากี้เจ้าการเป็นหัวเรีย่ยหัวแรงในการ ปรับปรุงชุมชนให้มีสภาพดีขึ้นให้มีความให้ทำให้ผู้คนมีความเป็นอยู่ดีขึ้นแล้วก็ไม่ได้ทำคนเดียวชวนคนอื่นมาร่วมทำด้วยนะจนเกิดคาว่าบุญจัก่อนบุญจักก่อนคือผู้ที่ร่วมทำความดีผู้ที่ร่วมทำบุญและทำบุญที่ว่านี่ไม่ได้มาใส่บาตมาบินทบาตอะไรไม่ได้ใส่บาตหรือถวายสังฆทานเลยแต่เป็นการช่วยเหลือชุมชนให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี นะแล้วก็ค่อยนำไปสู่การแนะนําให้มีความให้ผู้คนมีความเอเื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปันกันแล้วก็อยู่ในศีลในธรรมประพฤติศีลห้าก็ทําให้ชุมชนนั้นการเป็นชุมชนที่ผาสุกอันนี้แหละคือความหมายคําว่าบุญพื้นฐานนะที่สมเด็จพระสุค ร, ราอาจารย์ท่านได้กล่าวไว้และท่านก็เห็นว่าเนี่ยนี่คือคือ สิ่งจำเป็นพื้นฐานเลยนะสำหรับชุมชนวิถีพุทธนะซึ่งเริ่มต้นจากพระสงฆ์เป็นผู้นำเป็นผู้ขับเคลื่อนและถ้าทางฝ่ายครืิข่าหรือฝ่ายฝ่ายบ้านเนี่ยมีผู้นำในทางนี้มันก็ช่วยทำให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างวัดกับบ้านและทำให้เกิด ความสัมพันธ์ที่ราบรื่นและกระชับนั้นระหว่างวัดกับบ้านพระกับโยมแต่แน่นอนนะมันต้องทำต้องมีความเริ่มสร้างสารรค์เปลี่ยนแปลงไปอยู่เรื่อยๆเมื่อ40สปีก่อนหลวงพ่อคำเขียนท่านก็เป็นผู้นำในการพาชาวบ้านเนี่ยทำสากรข้าวนะคือเอาข้าวราคาถูกมาขายกับชาวบ้านโดยที่ ไม่ต้องไปลงลงไปในเมืองไปซื้อข้าวราคาแพงหรือว่าซื้อข้าวบนเขาบนหลังเขาซึ่งมันราคาแพงเพราะต้องคิดค่าขนส่งค่าขนส่งที่ว่าเนี่ยก็ไม่เชิงนะค่าแบกมากกว่านะเพราะต้องแบกข้าวเนี่ยจากข้างล่างขึ้นมาบนเขาเพราะไม่มีถนนข้าวบนเขาจึงราคาแพงชาวบ้านก็ทําลําบากซื้อลําบากก็เลยมีสากรข้าวเอาเอาข้าวถูกๆมา ซื้อมาทีละเยอะๆจากชัยภูมิเพราะมีถนนหนทางเอามาขายกับชาวบ้านที่ยากจนแต่ตอนหลังก็มีนวัต ก, กรรมใหม่ๆเกิดขึ้นนะอย่างเช่นที่ตราเนี่ยก็มีท่านอาจารย์สุบินปณนิโตทำสัจจะสะสมทรัพย์ชักชวนชาวบ้านมาสะสมเงินกันทุกเดือนสิบบาท20บาทก็แล้วแต่แต่ขอให้ททุกเดือนเพราะว่าตั้งสัจจะเอาไว้ เงินเหล่านี้เนี่ยส่วนหนึ่งก็เป็นเหมือนธนาคารที่เจ้าของนี่ก็สามารถจะเบิกไปใช้ในวันข้างหน้าได้แต่ส่วนหนึ่งก็เป็นเงินสําหรับเป็นทุนให้คนที่เขาเดือดร้อนเพราะสมัยก่อนเนี่ยเวลาเจ็บไข้เวลาลูกหลานเจ็บเป่วยขึ้นมานี่มันต้องใช้เงินเยอะตอนนั้นยังไม่มีโครงการ30สบาลรักษาทุกโลกหรือถึงมีมันต้องมีค่าใช้จ่ายนะต้องไปเยี่ยมต้องมีค่าเดินทางต้องมีค่าอาหาร ไปเยี่ยมคนป่วยก็สามารถจะกู้ยืมเงินได้ด้วยดอกเบี้ยราคาต่ําแต่ว่าจะกู้ยืมเงินได้ต้องอาศัยความเห็นพ้องต้องการของชุมชนมันก็ส่งเสริมความเพื่อเพื่อเกื้อกูลกันความเห็นอกเห็นใจกันความไว้เนื้อเชื่อใจกนะันคือเชื่อใจว่าเขาเอาเงินไปแล้วเนี่ยเขาจะคืนเขาจะไม่ไม่เบี้ยวอันนี้ก็เป็นอยู่ในข่ายของการทําบุญพื้นฐานนะก็คือการ ส่งเสริมให้ชาวบ้านเนี่ยเขาช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันหรือเป็นการทำเพื่อให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นซึ่งมันก็จะช่วยส่งเสริมให้เขาเข้าถึงบุญขั้นสูงนะคุณขั้นสูงคืออะไรนะนอกจากขั้นต่ำคือทิฏฐธรรมิกกถาขั้นสูงหรือขั้นกลางคือสัมปรายกัตถานะสัมปรายกัตถาคือ ความสุขทางใจที่เกิดจากศรัทธาเกิดจากเกิดจากจาค่าเกิดจากทานเกิดจากปัญญาคุณก็คือเป็นความสุขที่เกิดเป็นความสุขที่ใจที่เกิดจากการทาความดีคนเราเนี่ยจะพัฒนาหรือเข้าถึงความสุขที่สูงขึ้นไปได้เนี่ยมันต้องเริ่มต้นจากสุขหรือประโยชน์ขั้นพื้นฐานหรือประโยชน์ตาเห็น ก็คือเรื่องของการที่มีสุขภาพดีมีชื่อความเป็นอยู่ที่ไม่อัตคัดฝืดเครืองนะจึงว่าร่ำที่ดีก็ทําให้คนเนี่ยมีความเอื้อเฟื่อเผื่อแผ่กันแล้วก็นําไปสู่การเฉลิสละไม่ใช่แค่เฉลิสละด้วยทานหรือด้วยสิ่งของแต่ว่าเฉลิสละด้วยกําลังแล้วต่อไปก็นําไปสู่การสละซึ่งตัณหาอุปาทานนะสละซึ่งความเป็นกตัวความเป็น หรือกิเลสซึ่งจะนําไปสู่ประโยชน์ขั้นสูงคือปรมัตถะทีอาตมาพูดมาทั้งหมดเนี่ยมันก็เป็นนวัตรกรรมเมื่อ20ปีที่แล้วนะมาถึงวันนี้เนี่ยนัเราก็ต้องมีนวัตรกรรมใหม่ๆเกิดขึ้นเพราะสังคมเปลี่ยนแปลงไปเราต้องทําให้วัดเนี่ยมีความหมายต่อชีวของผู้คนทำให้พุทธศาสนาเนี่ยมีความหมายนะต่อชีวิตของผู้คนแต่หลัก แต่แล้วก็ไม่ทิ้งหลักเดิมนะั่นคือการสร้างความกระชับแน่นความสัมพันธ์ระหว่างวัดกับบ้านระหว่างพระกับญาติโยมซึ่งก็หมายถึงการรู้จักตอบโจทย์ของของชาวบ้านนะใส่ใจกับความทุกข์ความเดือดร้อนของชุมชนโดยมีพระเป็นผู้นำนะสิ่งที่วัดดาวเรืองทำเนี่ยตมาว่าก็เป็นนวัตกรรมนะอย่างหนึ่งด้วยนะก็คือการพยายามที่จะ สร้างความตื่นตัวสร้างความมีชีวิชีวาเกิดขึ้นกับชุมชนกับชาวบ้านแทนที่จะอยู่แบบง่อยง่อยเงาเงาะเหมือนกับชุมชนหรือว่าหมู่บ้านทั้งหลายก็พยายามที่จะดึงเอาภูมิปัญญาของชาวบ้านที่มีอยู่เนี่ยมาทำให้เกิดประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องข้าว ไม่ใชเป็นเรื่องผ้าเรื่องยานะเรื่องอาหารหรือวัฒนธรรมอื่นๆเนี่ยเพราะว่าถ้าเราเห็นว่าวัฒนธรรมหรือภูมิปัญญาที่เรามีแต่แดงแต่เดิมมาเนี่ยมันมีความหมายมันไม่ใช่เป็นของเก่าที่ต้องอนุรักษ์ไว้แต่มันเป็นสิ่งที่มีความหมายในปัจจุบันอย่างน้อยๆเนี่ยก็สามารถจะ ทำให้เกิดความร่วมแรงร่วมใจกันเกิดความร่วมมือกันแม้่เกิดความมีชีวชีวาขึ้นแต่ก่อนชาวบ้านก็มีชีวชีวาจากการที่มาร่วมกันทําบุญพรเวทแต่อย่างที่ตามาว่าเนี่ยบุญพรเวทเนี่ยมันก็นอาจจะเป็นนวัตรกรรมเมื่อ4 500ปีที่แล้วที่ได้ปผลมาจนถึงร0อปีที่แล้วแต่ตอนนี้มันเริ่มหมดความหมายแล้วเราก็ต้องสร้างนวัตรกรรมอย่างใหม่อาจจะเป็นเนรือเ่องของการสร้างเทศกาล งานบุญแบบใหม่ขึ้นมาการทำกิจกรรมนะอย่างที่ทําอยู่เนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งนะที่ช่วยทําให้เกิดความตื่นตัวขึ้นมาในชุมชนเอาความรู้ที่มีมาแปร ى, นะให้เป็นไรายได้และเอาไรายได้ที่มีมาแปลเป็นบุญมันก็ทําให้เกิดประโยชน์สร้างสรร น, นะกับผู้ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกับญาติโยมแต่ละที่แต่ละแห่งเนี่ยก็สามารถ คิดค้นวัตกรรมที่สอดคล้องกับทรัพยากรของชุมชนซึ่งก็แตกต่างกันไปวัดดาวเรืองเป็นวัดชุมชนดาวเรืองเนี่ยเป็นชุมชนเก่าแก่มีวัฒนธรรมนะที่สะสมกันมานานมีภูมิ ป, ปัญญามากมายที่ไม่ควรเป็นเรื่องของอดีตนะแต่ว่าควรที่จะนำมาทำให้มันมีชีวิต มีความหมายต่อชีวิตของผู้คนเพียงแค่การรื้อฟื้นมันขึ้นมาแล้วทําให้มันมีมันเป็นรายได้ขึ้นมาเนี่ยนะ mm hmm. เช่นเอาสมุนไพรที่มีอยู่เอาความรู้ที่เกี่ยวกับสมุนไพรที่มีอยู่ว่าแปรเป็นยาและจากยาเนี่มาเป็นรายได้และจากรายได้เนี่ยนะมาช่วยสร้างสารรค์ประโยชน์นต่อไปเนี่ยอันนี้เป็นนวัตกรรมอย่างหนึ่งนะที่น่าโนุม้อมธนา แต่แน่นอนนะยังมียังมีอะไร อ, อีกหลายอย่างที่เราควรจะทําได้เพื่อตอบโจทย์ของชุมชนโดยที่โจทย์หนึ่งที่ต่อไปต้องคิดกันให้มากคือคนแก่มากขึ้นเรื่อยๆเดีย๋ยวนี้สังคมไทยเป็นสังคมสูงวัยเป็นสังคมคนแก่มีคนแก่จํานวนมากขึ้นเนี่ยสิบหของประชากรบ้านดาวเรืองเนี่ยก็อาจจะมีคนแก่จํานวนไม่น้อยทีเดียว ทำไมไงเนี่ยวัดเนี่ยจะสามารถตอบโจทย์เรื่องนี้ได้เพราะคนแก่เนี่ยนะในปัจจุบันเนี่ยน่าสงสารนะไม่เหมือนคนแก่สมัยก่อนคนแก่สมัยก่อนเนี่ยอยู่ท่ามกลางลูกหลานนะลูกหลานเคารพน บ, บนอบมาเรียนรู้ภูมิปัญญามาเป็นมาเรียนรู้การทำหากินจากคนเท่าคนแก่แต่ในนี้คนหนุ่มคนสาวไม่สนใจความรู้ภูมิปัญญาคนเท่าคนแก่แล้ว ความมันไม่ตอบตรวจเชีเ้ของเขาคนแก่ต่างหาที่ต้องไปเรียนรู้จากลูกหลานเรียนรู้การใช้โทรศัพท์มือถือเรียนรู้การใช้เฟซบุ๊กนะมันกลับกันไม่ทันแล้แต่ยิ่งกว่นั้นคือว่าคนแก่เนี่ยเดี๋ยวนี้ก็ไม่มีลูกหลานพ้อมล้อมแล้วนะลูกหลานเขาก็ไปอยู่เมืองคนแก่จะน้อยน้อยนี่ข อ, อยเหงาอันดีหน่อยนะถ้าจะมีมีหลานหรือมีเลี้ยงให้เลี้ยงก็ไม่รู้สึก ว่างเปล่าแต่จำนวนไม่น้อยเนี่ยก็รู้สึกว่างเปล่าแล้วด้วยเพราคนแก่ในเมืองแต่คนแก่ในหมู่บ้านจำนวนไม่น้อยก็เริ่มรู้สึกว่าตัวนี้ไรคุณค่าแการที่ทําให้คนแก่ในหมู่บ้านในชุมชนเนี่ยเขารู้สึกมีชีวิตชีวารู้สึกมีความหมายนี่เป็นสิ่งสําคัญมากเลยที่วัดเนี่ยจะสามารถช่วยเหลือชุมชนได้และต่อไปเนี่ยก็ต้องคิดต่อไปนะว่าเมื่อคนแก่เจ็บป่วยเนี่ย เราจะทําอย่างไรเดี๋ยวนี้ใครเจ็บป่วยไปโรงพยาบาลแต่โรงพยาบาลก็อาจจะไม่ใช่เป็นที่ ท, ที่เหมาะนะอาจจะอยู่ได้ชั่วคราวเดวพราะถ้าเกิดว่าเจ็บป่วยแบบอาการหนักอยู่ในระยะท้ายหลายคนก็รู้ว่าการไปตายที่โรงพยาบาลเนี่ยมันไม่ใช่เป็นการตายที่ดีหลายคนก็อยากจะตายที่บ้านใช้ชวิช่วงสุดท้ายที่บ้านแต่อยู่ที่บ้านก็ไม่มีใครดูแล จะเป็นไปได้ไหมถ้าาว่าจะมีชาวบ้านช่วยกันดูแลโดยพระนี่เป็นผู้นําในการชักชวนให้ชาวบ้านเรียกว่าจัดระเบียบนะให้ชาวบ้านเนี่ยได้มาช่วยกันดูแลซึ่งกันและกันตอนนี้มันมีชุมชนชนิดนึงนะที่เว่าชุมชนกรุณานะชุมชนกรุณาเนี่ยมันก็เป็นแนวคิดว่าเนี่ยเวลาคนเจ็บคนป่วยหรืออยู่ในระยะท้ายเนี่ยแทนที่จะพึ่งแต่หมอ แตทนี่เพิ่งแต่โรงพยาบาลซึ่งอาจจะไม่ใช่เป็นคําตอบที่ดีเพราะว่าอยู่ในโรงพยาบาลก็บางครั้งก็ลงเ้วยการถูกยื้สร้างความทุกข์ทรมานแล้วก็งอยเหงาเพราะว่าอยู่ห่างไกลจากญาติโยมหรือลูกหลานแต่ถ้าจะมาป่วยขอป่วยที่บ้านป่วยที่บ้านได้ก็ต้องมีคนมาช่วยกันดูแลไม่ถ้าไม่มีลูกหลานก็มีเพื่อนบ้านด้วยกันทั้งสาวหรือหนุ่ม รวมทั้งแก่ด้วยถ้าว่ามีชุมชนกรุณาเกิดขึ้นนะที่บ้านดาวเรืองนะอ่าอยู่ที่อยู่ที่โดยมีการนำของวัดดาวเรืองเนี่ยนะมันก็จะช่วยทำให้คนที่อยู่ในระยะท้ายเนี่ยเขาจากไปงสงบได้ในหลวงที่ป่วยก็ไม่ได้ทุกทรมานเมื่อถึงเวลาตายก็ตา ย, ยางสงบเนี่ยที่อาจจะเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ สึงที่จะช่วยตอบโจทย์ของสังคมยุปัจจุบันได้คือการรับมือกับผู้สูงวัวยหรือคนแก่คนเฒ่าซึ่งมีจํานวนมากขึ้นและไม่ได้มีจํานวนมากขึ้นอย่างเดียวนะอยู่แบบหงอเหงามากขึ้นเจ็บป่วยด้วยความทุกข์ทรมานมากขึ้นถ้าว่าช่วยบรรเทาความทุกข์เหล่านี้ได้ทั้งในยามที่มีชีวิตอยู่และในยามที่เจ็บป่วยและถึงเวลาตายก็แต่งสงบเนี่ย มันก็จะมีคุณอุปการมากแต่ว่าก็จะคนแก่แล้วเนี่ยนะอย่าลืมคนหนุ่มสาวเพราะคนหนุ่มสาวเนี่ยเขาเป็นกําลังสําคัญไม่ใช่ของบ้านเมืองอย่างเดียวนะเป็นกําลังสําคัญของศาสนาด้วยนอกจากเราจะมีนวัตรกรรมที่เป็นมิตรกับคนแก่เป็นมิตรกับผู้สูงวัยแล้วก็วอย่าลืมนวัตรกรรมที่เป็นมิตรกับคนหนุ่มสาวทําไงจะให้คนหนุ่มสาวเนี่ยเขามาสนใจพนะพุทธศาสนา มาสนใจกิจกรรมในวัดมากขึ้นมาเป็นกาลังสำคัญของวัดอาจจะถึงขั้นมาบวชเนหรือบวชพระเพื่อเป็นทายาทในการสืบต่อทายาทให้กับพุทธศาสนา น, นี่เป็นเรื่องสำคัญมากเพราะไม่งั้นเนี่ยวัดเพราะเะเพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยไม่ใช่บ้านเท่านั้นที่เป็นเป็นชุมชนของคนแก่ต่อไปวัดก็จะเป็นชุมชนของคนของคนแก่มีแต่วัดหลวงตาเต็ไมไปหมดเลย วัดหลวงตาคือวัดที่มีแต่คนแก่ซึ่งจำนวนไม่น้อยเนี่ยก็มาบวชเมื่อแกไม่ใช่มาบวชเมื่อนุม่มเพราะศรัทธาในพุทธศาสนาแต่ว่ามาบวชเมื่อแกเพราะว่าไปไหนไม่รอดหรือว่าไม่มีคนดูแลก็มาอยู่วัดแลจวจานวนไม่น้อยเนี่ยแม้เป็นพระแล้วเนี่ยพอแกก็ไปลงเลยที่โรงพยาบาลอยู่เหมือนกันเพราะว่าวัดเนี่ยหรือพระเนี่ยไม่ดูแล หรือไม่มีกําลังจะไม่มีกําลังจะดูแลเดีย๋ยวนี้หลวงตาหลวงปู่หลายรูปนี่ก็ตอนที่สุขภาพดีก็เป็นเจ้านณะจังหวัดเป็นเจา้าเป็นเจ้าคณะอำเภอเป็นพระราชาคณะเป็นเจ้าว่าแต่เวลาป่วยหนักก็เป็นลวงเอ๋ยที่โรงพยาบาลแล้วก็ตายที่นั่นโดยที่ไม่มีใครดูแลแม้แต่พระก็ไม่ดูแลเพราะในงานหนึ่งนะพระในวัดก็มีจํานวนน้อยอยู่แล้วหรือพระที่มีอยู่ก็ไม่ใส่ใจไม่เอืออ้อทอมหรือไม่ฉะนั้นก็ ก็มีแต่พระเก่าๆทั้งนั้นในวัดนะเราก็ต้องคิดนะว่าถ้าถ้าเราไม่มีไม่มีนัต ก, ก, กรรมอะไรที่จะเป็นมิตรกับคนหนุ่มสาวนะชนิดที่จะดึงคนหนุ่มสาวนี่เข้ามามาวัดหรือว่ามาสนใจพุทธศาสนาต่อไปวัดนี่ก็จะนะค่อยๆนะค่อยๆเอ่อเรียวลงไปเรื่อยๆหรือค่อยๆโดดเดียว ถ้ามีถ้าวัดแต่ละวัดเนี่ยมีกิจกรรมอย่างวัดดาวเรืองนะแต่ว่าไม่ได้ไม่เป็นต้องมาเน้นที่เรื่องอาหารผ้ายาหรือข้าวนะแต่ว่ามีกิจกรรมอย่างอื่นที่เหมาะกับบริบทหรือเหมาะกับต้นทุนของชุมชนเนี่ยก็เชื่อว่าจะทำให้วัดเนี่ยมีความหมายกับผู้คน แล้วทำไมผู้คนเนี่ยได้รับอ น, นิสงค์ของพุทธศาสนามากขึ้นอันนี้เป็นเรื่องใหญ่นะที่จะต้องช่วยกันคิดแต่แน่นอนนะสิ่งหนึ่งที่มองข้ามไม่ได้คือเดี๋ยวนี้คนจคนหนุ่มสาวจ น, น, ม น, นมไม่น้อยเนี่ยเขามีปัญหาด้านจิตใจมากเกิดวิกฤตด้านจิตใจจนนไม่น้อยเนี่ยถึงกับไปโรคซึมเศร้าและน่าสงสารมากเดี๋ยวนี้เป็นกันเยอะเลยวิกฤตด้านจิตใจก็เป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งนะที่ถือว่าเป็นโจทย์ใหญ่ของสังคมไทยเป็นโจทย์ใหญ่ของ ของชุมชนจเนวนไม่น้อยซึ่งวัดเนี่ยก็ควรจะมีบทบาทแต่ถึงแม้อาจจะไม่ถึงขั้นไปช่วยเหลือผู้ซึมเศร้าแต่อย่างน้อยเนี่ยก็มีคําตอบให้กับคนที่มีความทุกข์ด้านจิตใจเรื่องการปฏิบัติธรรมเรื่องการภาวนาที่ก็สําคัญเหมือนกันนอกเหนือกนอกเหนือจากการช่วยเหลือผู้คนให้มีชีวิตความอยู่ที่ดีขึ้นข้าวผ้ายาอาหารไม่ขาดแคลนสามารถแปรเป็นตัวเงินได้เพิ่มรายได้ให้กับตัวเองได้แล้วเนี่ย ใหเรื่องการช่วยบรรเทาความทุกข์ในจิตใจความเครียดก็เป็นสิ่งสําคัญซึ่งใ น, นกวามหมายความพระก็ต้องมีความรู้มีทักษะนะในเรื่องการภาวนาหรือที่จริงก็คือว่าสามารถที่จะน้อมนําการปฏิบัติให้เข้ามาเป็นชุดจิตใจของพระจนกระทั่งเข้าถึงความสงบเย็นไม่ใช่มีแต่ความรู้ด้านปริยติธรรมเท่านั้นแต่ว่ามีสามารถที่จะเอาความรู้ ทางธรรมเนะี่ยมาปฏิบัติตรงกันทา่งเข้าถึงความสงบเย็นเรียกว่าแม้จะพูดไม่เก่งแต่ว่าก็สามารถทําให้ดูอยู่ให้เห็นเย็นให้สัมผัสได้และยิ่งถ้าสามารถที่จะสอนธรรมะได้ด้วยตัวเองหรือว่ามีหมู่คณะช่วยกันสอนก็จะเป็นปกุญแจประกันอย่างยิ่งนะซึ่งก็ต้องอาศัยนวัตรกรรมเหมือนกันนะเพราะว่าจะใช้วิธีการสอนแบบเดิมๆอาจจะไม่ได้ผลต้องมีวิธีใหม่ๆเพื่อให้คนหนุ่มสาวเขา ได้เข้าใจการปฏิบัติเดีย๋ยวนี้เขาก็มีเวลาน้อยนะบางทีแม้แต่เวลาแม้แต่การปฏิบัติแค่3นาทีก็มีความหมายแล้วทำยังไงนะเราจึงจะแนะนําให้เ้าปฏิบัติเพียงแค่3นาทีเป็นการชิมลองซึ่งทําได้นะปฏิบัติแค่3นาทีหลายคนเนี่ยทำทุกวันเนี่ยเห็นผลเลยนะเพราะว่ามันเป็นวิธีการที่มันสอดคล้องกับจริตนิสัยของเขาไม่ใช่แต่ว่าเอาเอาแต่นั่งหลับตา ตามลมหายใจดูท้องพองยุบเท่านั้นมันต้องมีอะไรที่มากกว่านั้นซึ่งนี่เป็นเรื่องของนวัตรกรรมนะที่ชุมชนวิถีพุทธจำเป็นต้องมีปัตามาก็ใช้เวลานานพอสมควรแล้วนะก็เห็นจะต้องยุติการบรรยายิเพียงเท่านี้นขอเจริญพร